ข้อที่51อพึงทราบวินิฉัยในคาถาที่สมวงเล็บเปิดดังต่อไปนี้วงเล็บปิดบทว่าโซกมะเจความว่าอยู่ในท้ำกลางสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นที่ตั้งแห่งความโศกหรือผู้ไปตามความโศกยอมไม่โศกเศร้าเหมือนอุบาสิกาของพันธุระเสนาบดีและเหมือนสังกิ จ, จ่าสัมมณน EN, ในท่ามกลางพวกโจรห0 0รคนฉะนั้นเรื่องนางมลิกาดังได้สดับมาในกรุงกุสินาราโอรสของเจ้ามัลละนามว่าพันธุละได้เป็นผู้เล่าเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์เดียวกันกันกบพระเจ้าประสิทีพฟันทุละนั้นพาเทวีนามว่ามลิกาเสด็จไปสู่กรุงสาวัตถี จากกรุงกุสินาราได้เป็นเสนาบดีของพระเจ้าประสิทธิทีนางมัลิกาอาศัยพันธุลานั้นคลอดบุตรฝาแฝดถึง16ครั้งบุตรแม้ทั้งหมดเหล่านั้นกล้าหาญสมบูรณ์ด้วยเรียวแรงได้เป็นผู้ถึงความสำเร็จศิลปศาสตร์ทุกชนิดบรรดาบุตรเหล่านั้นนั่นแลคนหนึ่งคนหนึ่งมีบุตรพันหนึ่งเป็นบริวาร ต่อมาวันหนึ่งพวกมนุษย์ผู้พ่ายแพ้เพราะคดีโกงเห็นพันธุละเดินมาจึงร้องเรียนการทำคดีโกงแห่งผู้กระหมาตผู้พิพากษาแด่พันธุละนั้นท่านได้ไปยังที่วินิจฉัยแล้วพิจารณาคดีนั้นทำเจ้าของนั่นแหละให้เป็นเจ้าของมหาชนได้ให้สาธุกาาแล้วพระราชาสับเสียงนั้นจึงตรัสถาม ทราบความนั้นแล้วรับสั่งให้ถอดพวกอมาตะผู้พิพากษาออกเสียแล้วส่งมอบการพิพากษาให้แก่พันธุละนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาพันธุละเสนาบดีก็พิพากษาโดยชอบธรรมแต่นั้นพวกอมตะผู้พิพากษาเก่าไม่ได้สินบนเป็นผู้มีลาบน้อยจึงทูลยุยงพระราชาว่าพันุลละปรารถนาราชสมบัติ พระราชาทรงเชื่อคำของอมาตย์เหล่านั้นจึงรับสั่งให้พวกบุตรที่ทรงแต่งให้ปล้นปัจจันตะชนบทแล้วส่งพันธุละไปด้วยพระบัญชาว่าข่าวว่าปัจจันตะชนบทเจลาจนอย่างไรเปิดกำเริบอยงไรปิดเธอจงไปพร้อมกับบุตรทั้งหลายของเธอแล้วจับกลุมพวกโจรดังนี้แล้วส่งพวกนายทหารผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถเล่าอื่นไปด้วยพระดำรัสว่าเธอทั้งหลายจงตัดศีรษะพันธุละนั้นพร้อมกับบุตร32คนในที่นั้นนั่นแหละก็หาเหล่านั้นทำอย่างนั้นแล้ววันนั้นนางมลิกานิ ม, มนต์พระอัครสา ว, วกทั้งสองพร้อมกับภิกษุห0 0รรูปขณะนั้นในเวลาเช้าชนทั้งหลายได้ให้ จดหมายแก่นางว่าทหารทั้งหลายตัดศีษะสามีของท่านพร้อมกับบุตรทั้งหลายนางทราบข่าวนั้นแล้วไม่บอกอะไรอะไรแก่ใครๆเนียบจดหมายไว้ที่ชายพกอังคาดภิกษุสง์เรื่อยไปขณะนั้นนางปริจาริกาของนางนำภาชนะเนยใสายมาทําภาชนะแตกข้างหน้าพระเถรรัตทั้งหลาย พระธรรมเสนาบดีกล่าวว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาแตกไปแล้วท่านไม่ควรคิดนางจึงนำเอาจดหมายออกมาจากชายพกแล้วเรียนว่าดิฉันแม้ได้ยินเรื่องนี้แล้วยังไม่คิดเมื่อภาชนะเนยใสยแตกแล้วดิฉันจะคิดทำไมเล่าเจ้าข่าพระเถระได้แสดงธรรมแกนางเสร็จแล้วไปสู่วิหาร นางให้เรียกสุนิสาทั้ง32คนมาแล้วสอนว่าสามีของลูกทั้งหลายไม่มีความผิดได้รับผลกรรมเก่าของตนลูกทั้งหลายอย่าเศร้าโศกอย่าทำความโกรธต่อพระราชาดังนี้ยอมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางสุนิสาผู้ประสบความโศกเหล่านั้นในนี้ท่านกล่าวไว้ในอัธกถา พัทาสารชาดกเป็นต้น